มหาสติปัฐานสูตรโดยดังตรินรู้สุขทุกข์หลักการฝึกมีสติอยู่กับเวทนา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 แต่ใช่ว่าจิตจะเข้าไปเสพรสความรู้สึกอยู่เสมอหลักการฝึกมีสติอยู่กับความรู้สึกนั้นเราจะดูว่าเมื่อใดจิตไม่อยากรู้กายหรือสิ่งอื่นพละจากความรู้ในกายและสิ่งอื่นมาเสพความรู้สึกแทนเช่นเมื่อจงกรมรู้อิริยาบถเดินจนเมื่อยล้ามาเอนลงนอนผ่อนพักอย่างสบาย จิตย่อมถูกดึงดูดให้หันเหความสนใจจากกายมาเสพสุขประดุดปลาพบน้ำหรือเมื่อมีสติรู้อิริยาบถนอนอยู่ดีๆเกิดปวดอุจจาระจนเป็นทุกข์เต็มกลั่นจิตย่อมถูกกระชากลากดึงให้มาผูกอยู่กับความทุกข์แน่นหนาราวกับนักโทษในเครื่องทรมานเป็นต้น การที่จิตไม่ใหญ่ดีสิ่งอื่นเอาแต่เสพความรู้สึกนั่นแหละคือบทฝึกของเราเรียงตามลำดับจากง่ายไปหายากดังนี้ 1. เมื่อเสพสุขก็รู้ว่าเสพสุขความสุขคือความเบาสบายหรือชื่นกายชื่นใจอยู่กับสภาพน่ายินดีเป็นพิเศษ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 เกี่ยวกับตัวเองอันน่าสนุกเป็นตน้นเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความหลงโลกมีความติดใจวัตถุหรือความคิดอันเป็นเครื่องลอ่อจิตไม่เป็นอิสระในตนเองส่วนสุขที่เกิดจากการเจริญสติเรียกว่าสุขแบบไม่มีอามิ t รเช่นเมื่อรู้ลมยาวจะเป็นสุขแบบสดชื่น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 เห็นชัดว่ารถทุก์ไม่เทียเ่ยงเสบได้ระยะหนึ่งก็มีอันต้องเสื่อมลงไร้ความเป็นบุคคลจิตจึงเลิกกระวนกระวายเสียได้ 3. เมื่อเสพความไม่สุขไม่ทุกข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 จะรู้สุกทุกอย่างไรก็จะเงียบเสียงภาคไปเองที่ตรงนั้นคือการมีสติรู้นามธรรมอย่างแท้จริงพูดง่ายๆว่าสติเข้าไปชนกับความรู้สึกตรงๆโดยปราศจากเครื่องกั้นรุงรังใดๆ